ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่เก้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีชาดกแผ่นที่เก้ามีคติธรรมหัวข้อว่าเมตตาพาเวตา บ, บาพยาปาทัสะ แปลว่าพึงเจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทในชาดกเกือบจะว่าทุกเรื่องมีคติธรรมหรือว่ามีแนวความคิดในแต่ละชาดกมีความหมายบางทีก็มีมีเมตตาบังกรุณามุทิตามีทั้งอุปเบกขาในชาดกแล้วก็ มีเรื่องเปรียบเทียบมากมายในชาดกนา น, นเพราะนั้นในชาดกแผ่นที่เก้านี้หลวงพ่อเองจะไม่พูดกล่าวอะไรมากเพราะว่าในแผ่นต่างๆที่ผ่านมาก็ได้กล่าวมากมายแต่แผ่นนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมผู้ดได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็นำเปิดฟังแล้วก็ นำมาเปรียบเทียบกับการเป็นอยู่ชีวิตประจําวันของเราเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพราะชาดกเป็นกระจกเงาสําหรับพวกเราหรือเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นเช่นบรรทัดสําหรับให้พวกเราได้เดินตามแนวแถวระยะประเพณีคือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาล ท่านวางตัวยังไงท่านปฏิปตตนอย่างไรท่านจึงได้เป็นพระอริยะบุคคลในยุคสมัยนั้นด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกคอยมาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอขอยสมหวังดังปรารถนา ทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเทิน